พิจารณาความตายถ้าหากว่าจิตผ่านการพิจารณาเช่นการพิจารณาความตายความตายคืออะไรความตายคืออย่างนั้นอย่างนั้นถ้าหากว่าจิตสงบเข้าสมาธิเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นอัปปนาสมาธิ เพราะอาศัยแนวทางที่เราพิจารณานั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนจิตที่สงบแล้วให้ย้อนกลับมามองกายที่นี้ในขณะที่จิตย้อนกลับมามองกายจิตนี่มันออกจากร่างไปแล้วมีแต่จิตสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตัวตนหายหมดแต่มันมาลอยเด่นอยู่เหนือร่างกายมันจะมองเห็นร่างกายตายเน่าเปื่อยขึ้นอืดผุพังสลายตัวไป บางทีมองเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็แหลกละเอียดสลายตัวไปหมดในตอนนั้นจิตมันจะนิ่งเฉยนิ่งเฉยรู้อะไรเห็นอะไรก็มีแต่เฉยลูกเดียวรู้เห็นกายตายมันก็ไม่ว่าตายแล้วเน่าแล้วมันก็ไม่ว่าแต่มันรู้อยู่เฉยเฉยร่างกายมันจะแสดงอาการไปอย่างไรอย่างไรมันรู้หมด แล้วอะไรเป็นผู้แสดงก็จิตดวงนั้นนั่นแหละเป็นผู้แสดงแต่มันแสดงออกมาอย่างไม่มีการยึดมั่นถือมั่นมันจึงรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าสิ่งที่มันรู้อยู่กับตัวมันเองเนี่ยเป็นคนละอย่างเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วนี่พอรู้สึกว่ามีกายปับ๊บมันมีเครื่องมือแล้วมันคิดได้ตอนนี้มันจะบอกว่า นี่แหละคือการตายรู้ซะตายแล้วมันก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโซโครกยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกแหลกละเอียดหายจมลงไปในผืนแผ่นดินไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนและทีเนี้ยพอมันอธิบายจบแล้ว มันจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตามธรรมชาติพิจารณาความตายอย่างเดียวในเมื่อความตายปรากฏขึ้นมันได้กรรมฐานพร้อม 1. นมรณานุสติ 2. อสุภกรรมฐาน 3. อัอธิกรรมฐาน 4. ีธาตุกรรมฐาน 5. อนัตตานุปัสนาความสําคัญมั่นหมายว่าไม่มีอัตตาตัวตน นี่มันเป็นของมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะไปกล่าวว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้เลิกกล่าวกันได้แล้วมาตรวัดผลการปฏิบัติ ทำสมาธิแล้ว 1. ได้ความรักความเมตตา 2. ได้ความเข้มแข็งทางกายทางใจกล้าที่ผเผชิญหน้าต่อธุรกิจการงานของเราได้เป็นอย่างดีมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาเรื่องชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวจะละบาปทั้งหลายสีลห้าข้อเท่านั้นอย่าไปกังวลสิ่งอื่นและไม่ต้องไปนับขั้นตอนว่า เราได้สมาธิขั้นไหนอย่างไรถ้าเราสงสัยในการปฏิบัติของเราให้นึกเอาศีลห้ามาเป็นเครื่องวัดถ้าศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีนั่นคือผลได้ของเราสมาธิมันจะไปถึงขั้นใดตอนใดไม่มีความหมายถ้าหากว่าศีลไม่ดีสมาธิปฏิบัติโดยไม่มีศีลก็ได้เช่นเรื่องรามเกียรติ พวกยักษ์พวกโขนทั้งหลายนั่งสมาธิจนตัวสว่างพอลุกจากที่นั่งสมาธิและจับศรยิงกันนั่นคือสมาธิที่ไม่มีศีล